ยาซีเรียสเรื่องเก่งน้อยสุขมากมีโยมผู้ชายคนหนึ่งพาลูกชายมาหาหลวงพ่อบอกว่า รวมพ่อครับเดี๋ยวนี้เด็กๆมันเรียนแข่งกันมากเหลือเกินพ่อแม่บังคับลูกว่าจะต้องเก่งกว่าคนอื่นพาไปเรียนพิเศษไปกวดวิชาจ้างครูพิเศษมาสอนเพื่อให้ลูกเป็นคนเก่งเก่งกว่าคนอื่นๆต้องเป็นที่หนึ่งเด็กเดี๋ยวนี้ไลยแข่งกันเป็นที่หนึ่งแข่งกันเก่งเรียนกันหามรุ่งหามค่ํา เครียดไม่มีความสุขลูกชายก็ติดความคิดจากเพื่อนเรียนแข่งกับเพื่อนอยากเป็นคนเก่งชีวิตมีแต่เรียนเรียนเรียนมันเครียดทั้งวันเห็นแล้วสงสารอยากให้ลูกมีความสุขแต่ไม่รู้จะพูดกับลูกยังไงหลวงพ่อช่วยสอนให้หน่อยครับหลวงพ่อจึงบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่า การจะเป็นคนเก่งมีหลักสองประการ 1. ปาราโตโคสะฟังคนที่เขาเก่งมีความรู้มีคุณธรรมมีความสามารถเป็นคนดีมาสอนมาแนะนำหรืออ่านตำราที่เขาเขียนไว้แล้วนำข้อคิด คำสอนที่ดีที่เหมาะสมกับเรามาปฏิบัติ 2. โยนิโสมนสิการเห็นข่าวคราวอะไรใครทำดีที่ไหนหนังสือพิมพ์โทรทัศน์เอามานำเสนอเอามาเผยแพร่เราก็เอามาใครครวญไตรตรองที่ทำถูกเราก็เอามาเป็นตัวอย่าง ทำผิดเราก็เอามาเป็นครูคอยเตือนสติเราไม่นานเราก็เกิดปัญญารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเมื่อมีความรู้มีประสบการณ์จากการเรียนรู้แล้วก็จะทำให้เราเก่งขึ้น ฉลาดขึ้นทำการงานก็จะประสบความสําเร็จแต่สิ่งที่ควรคิดอย่างหนึ่งก็คือคนเก่งที่สุดใช่ว่าจะมีความสุขที่สุดดูอย่างไอสไตล์ซิเก่งที่สุดในโลกเลยคิดค้นสูตรปรมณูได้ไอสไตล์น่าจะดีใจที่สุดในโลกแต่สุดท้าย ไอสไตล์ style, ต้องเสียใจมากเพราะความเก่งของเขาสร้างความพินาศให้แก่โลกแล้วหลวงพ่อก็อให้เคล็ดลับคำพูดให้พ่อไปบอกกับลูกชายว่าพ่ออยากจะบอกกับลูกว่าพ่อไม่ได้ต้องการให้ลูกของพ่อเป็นคนเก่งที่สุดแต่พ่อต้องการให้ลูกของพ่อเป็นคนดีและไม่มีความทุกข์ ถ้าลูกของพ่ออยู่อย่างทุกน้อยที่สุดร้องไห้น้อยที่สุดดีใจง่ายยิ้มง่ายหัวเราะง่ายร่าเริงเบิกบานง่ายพ่อจะดีใจมีความสุขพ่อจะมีความรู้สึกว่าพ่อได้ลูกเก่งขอให้ลูกเป็นคนที่เก่งน้อยแต่สุขมากเท่านี้พ่อก็พอใจแล้ว